ถ้าในตอนสมัยที่บระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไมโ้โพแล้วก็ตรัสรู้ธรรมห น, นจะแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายดีหรือไม่ใ น, นจุประสงค์ที่แสดงธรรมนั้นก็เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์เพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายให้มันสนิทให้มันแนบให้มันแนบแน่นเนียนไปเลยนาเหมือนอย่างเวลาที่เราต้องการต้องการจะเอาเงา ของต้นไม้ต้นหนึ่งให้บริเวณนี้ไม่มีเงาของต้นไม้ตัวนี้เราจะทํายังไงมันมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแต่เราไม่ต้องการให้มันมีเงาอยู่นะคุณก็จะต้องตัดต้นไม้ต้นนี้นะตัดต้นไม้เสร็จแล้วแค่ไี้ไม่พอต้องขุดรากมันลงขึ้นมาด้วยนะขุดรากลงไปนะคุณลงไปในดินเอารากมันขึ้นมาจนกระทั่งรากมันเหลืออยู่เท่าก้านแฝกก้านแฝกก็เนี่ย สั้นๆยามไม่พอองคุลีหนึ่สั้นๆนี้มันจะโตมันก็โ ต, โตได้ยากล่ะทีนี้พอตัดลงแล้วที่เหลือทํำยังไงล้วก็หั่นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่หั่นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ทําให้เป็นซิกซี่นะสับให้เป็นซิกซี่เสร็จแล้วก็เอาผึ่งไว้ในลมและแดดให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็เผาด้วยไฟนะเผาให้เป็นกี้เท่าให้เป็นฐานให้เป็นกี้เท่า พอเผาเป็นขี้เท่าแล้วก็บดให้มันละเอียดนะบดให้เหลือเป็นฝุ่นเป็นผงแล้วก็โปรยไปในลมมันพัดจัดหรือว่าลอยไปในกระแสน้ำเหมือนอย่างเขาลอยอังคารอย่างเงนะี้ยเลอยไปคุณจะไม่สามารถหาเงาของต้นไม้นี้ได้อีกเหมือนกันเวลาที่พระเจ้าบอกว่าการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรยของพระองค์เนี่ยไม่ได้ต้องการเจะเร่งให้คนมานับถือ ไม่ได้ต้องการที่จะไปเปลี่ยนให้คนมานับถือศาสนานั้นศา ส, สนานี้แต่ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นจุดประสงค์ให้ได้ลาบสการะเสียงสนเสริญเยินยอบปจัจจัยสไม่ได้ต้องการที่จะล้มล้างลทัทธิอื่นให้สิ่งไปไม่ได้เพื่อที่จะให้เขามายกย่องเราว่าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเพื่อความตับทุกข์สนิทจำฝังเราชาวพุทธบอกให้ได้เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้า เราจะไม่ได้ไปสนใจว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนใครให้มั น, นับถือศาสนาอะไรแล้วเราก็ไม่ได้จะต้องไปโจมตีให้ใครเสียหายยกย่องคําสอนนี้ดีกว่าคำสอนอื่นไม่ใช่ถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นอยู่แสดงว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณยังปฏิบัติตามคําสองพระเจ้าไม่ถูกต้องคําสอนของพระเจ้าที่มือฝังเป็นไปเพื่อความมีปรารถนาน้อยอะไรที่เป็นคําสองพระเจ้ามีหลักการตัดสินอยู่หนึ่งในนั้นคือ ถ้าเป็นไปเพื่อความปรารถนามากอันนั้นไม่ใช่ล่ะไม่ใช่คําสัอนของพระพรุทธเจ้าละอะไรที่เป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยเอออันนั้นใช่คําสัอนของพระพุทธเจ้าการกระทําใดๆเป็นไปเพื่ อ, อความปรารถนาน้อยอันนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการกระทําที่ถูกต้องอันนี้เปเรื่องของจิตนะอยู่ในจิตเราไม่ต้องต้องการจะเปลี่ยนใครหรือว่าจะชักจูงใครให้มา นับถือคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่ต้องการจะล้มล้างความคิดในแบบอื่นๆให้มันสิ้นไปคนก็จะมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเขามีผัสสะอยู่เขาจะต้องมีเวทนาถ้าเขามีเวทนาอยู่เวทนานั้งหมดนั่นแหละมันจะรวมลงอยู่ที่ความทุกข์ถ้าเขามีความทุกข์อยู่แล้วเขาไม่รู้จักเลือกเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ถูกเลือกไม่ดา่าไม่รู้ทางเลือกคุณสวยแน่ บุคคลนั้นก็จะจมอยู่ในกลองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์เราเป็นยังไงเหมือนทรายดูดนะท่านฟังมันก็จะดูดเราต่ําลงต่ําลงต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆเราช่วยตัวเองไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งต่ำลงเร็วแต่ถ้าเรามีความรู้ในทางที่ว่าเอ๊เราจะต้องผลากทุกข์ให้ได้คําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังหนึ่งในหนึ่งในลักษณะ8ดอย่างนะคือการเป็นไปเพื่อการคลายทุกข์ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประกอบอยู่ในทุกทุกทุกทุกนี่เราก็ต้องเข้าใจให้ถูกไม่ใช่ว่าอะไรที่มันจะทําให้เรามีความทุกขเวทนามีความโทมนัตนันเราเรียกว่าทุกอะไรที่มันจะไม่มีความทุกขเวทนามีโสมนัตมีความสุขอันนั้นเ ร, เรียกว่าความสุขไม่ใช่แม้สุขเวทนาเนีน่ยก็เป็นทุกแม้ทุกเวทนาก็เป็นทุกอย่างความทุกเนี่ยถ้าเราจะแปลตรงตัวนั่นคือสิ่งที่ทนได้ยาก ทนได้ยากไนหะยังมดกัดเจ็บมดกัดมันเราเจ็บใช่ไหมไอ้ความเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทนได้ยากอา้าวแล้วถ้ามีเสียงดนตรีเพรา ะ, ะเราฟังแล้วรื่นหูไอ้ความรื่นหูเนี่ยมันยังทนได้ง่ายนะคือมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงแน่แต่มันยังต้องเป็นของที่ทนได้อย่างง่ายหน่อยนะแต่ทั้งสองอย่างคือความทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ได้ทนไม่ได้เนะดนตรีมันก็จะต้องดับไปนะีสายกีต้ามันเพีย้ยนมันเสียงมันก็เพีย้ยนมันก็ฟังไม่เล่านะี่มดการเจ็บความเจ็บนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวชนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันธรรมะของพระชจ้าเป็นไปเพื่อความคลายทุกข์คลายเจ้าสองสองสิ่งนี้คลายทุกขเวทนาด้วยคลายสุขเวทนาด้วยคลายอุเบกขาด้วย คลายสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันทนอยู่ในสภาพที่ตัวมันเป็นอยู่เองเนี่ยไม่ได้อันนั้นแหละเรียกว่าทุกข์ธรรมะที่พระเจ้ชชาสอนเป็นไปเพื่อความคลายทุกข์อย่างนี้ไม่ได้เป็นการที่จะหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อประกอบอยู่ในทุกข์นั่นไม่ใช่คําสอนพระเจ้ชชา ประกอบอยู่ในทุกหมายความว่าประกอบอยู่ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอะไรที่เป็นไปเพื่อการยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระเจ้ามีพระเจาเป็นแม่ข่ายท่านฝังมีพระชาเป็นที่พึ่งมีพระเจ้าเป็นที่ต้านทานแต่พระชาตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตัวของสมณโคดมสลายกลายเป็นธาตุไปแล้วนะเขาก็เอาพระรประส า, า, ารีที่กฐามมาโชว์ให้เราดู นะของจริงก็มีของปลอมก็มีแต่ว่าร่างกายตัวตนที่จะมาบอกมาสอนเราไม่อยู่แล้วท่านฟังแต่การกระชายเสียงนั้นยังอยู่แม่ข่ายลูกขายที่รับเสียงนั้นมายังแผ่ไปอยูนะ่เหมือนยังแรงกำเนิดแสงนมันดับไปแล้วก็จริงนะแต่ว่าแสงมันยังแผ่ไปอยู่นะคือถ้ามันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะคือเขาเอาดวงดาวที่อยู่ไกลนู่นไกลมากนะห่างไปหลายๆร้อยปีแสง นั่นคือแสงกว่ามันจะเดินทางมาถึงมนุษย์ได้ถึงตาของเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีเป็นต้นน่นถ้าแรงกําโนดแสงนําปล่อยแสงออกมาที่ปีที่1น่งนนผ่านไปอีกร้อยล้านปีนนมันถึงแสงน่นถึงจะมาเดินทางมาหาเราถึงเราจะรู้ว่าอ๋อแสงนี้มาถึงไอปีที่1เราจะยังเห็นมันมืดๆอยู่เราจะยังไม่เห็นว่าดาวดวงนี้มีแสงแต่พอปีที่100ล้าน เราถึงจะเห็นว่าดาวดวงนี้มีแสงแต่ระหว่างปีที่1ถึงปีที่100ล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้รว่าดาวดวงนี้มันยังอยู่หรือมันพังไปหรือมันระเบิดไปหร้อยังการทดลองทาวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเป็นการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าแสงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเดินทางเช่นเดียวกันคําสอนของพรนะเจ้าแสงที่ พ, พระเจ้าแผ่รัศมีออกมานะเป็นลักษณะของความรู้ความรู้ยิง่งความรู้พร้อมตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ สัตวอื่นๆเนี่ยได้รู้ตามการรู้ตามนั้นยังมีอยู่แต่ตัวพระองค์นั้นตัวพระองค์นั้นไม่อยู่แล้วนะร่างกายแตกดับไปแล้วนะสิ่งที่เป็นตัวแทนในตานนีนะ้ก็คือแสงสว่างที่ยังเหลืออยู่นั่นคือพระธรรมนั่นเองนะคือคําสอนที่ยังส่งผ่านมาอยู่นะจากรุ่นนี้ถึงรุ่นนี้จากรุ่นเราถึงรุ่นต่อๆไปเราจะทรงธรรมวินัยอยู่ได้นะจุดประสงค์คือการเพื่อที่จะดับความทุกข์ จุดประสงค์เพื่อที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันดับสนิทเอาไปจากใจถ้าเราฟังธรรมะหมวดใดๆต้องฟังแล้วกลับมันมีมันกลับมีความทุกข์เพิ่มความทุกข์ที่เราพิจารณาดูเนี่ยนะเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอ ก, กุศลถ้ามันเป็นความทุกข์ที่เป็นกุศลอันนั้นดีถ้าเป็นความทุกข์กนน ท, กที่เป็นอ ก, กุศลอันนั้นไม่ใช่อะไรความทุกข์ที่เป็นกุศลมีด้วยหรอ นี่บางคนมีความสับสนในเรื่องของว่าสิ่งที่เป็นสุขก็คือกุศลสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คืออกุศลไม่ใช่นะความทุกข์ที่เป็นอกุศลก็มีในอย่างเช่นว่าความทุกข์ที่เป็ น, น, นอกุศลเช่นคุณไปฆ่าสัตว์แล้วคุณก็มีความไม่สบายใจคุณไปพูดโกหกแล้วคุณไม่มีความไม่คุณก็มีความไม่สบายใจความไม่สบายใจนั่นแหะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลด้วยถูกต้องเพราะว่าเป็นผลของการทําไม่ดีแล้วความทุกข์ที่เป็นกุศลมีด้วยหรอมีสิ หน่งเช่น ว, ว่าเราฝืนในการที่เราจะต้องทํำอะไรสักอย่างในที่เราไม่ชอบแต่มันดีเช่นเขาให้คุณมานั่งสมาธิคุณไปนั่งสมาธิปวดขาแม้แต่ว่านั่งสมาธิมันดีนะแต่ใจใช่ยังไม่สมงบเราฟุ้งซ่านอยู่แต่ว่าก็ยังได้ทำํำนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ยังเป็นความทุกข์ที่เป็นกุศลเราอาจจะต้องฝืนทําตัวอย่างที่บุญเจ้ายกก็คือเหมือนกับเวลาเรากินยายามันขมนะอย่างฟ้าทลายโจรนี่ ถ้าใครเป็นวัด เ, เป็นหวัดเขาก็เอาฟ้าทรายโจรมาต้มให้กินโอ้โหมันขมมากถึงมฟังใครเป็นโรคเบาหวานเขาก็เอาบอระเพ็ดมาให้กินนะบอระเพ็ดมันขมมากจริงในะแต่พอกินเข้าไปแล้วเออสักคืนหนึงผ่านไปอาการหวัดมันดีขึ้นมันหายไปนะกินบอระเพ็ดขมมากๆ6ชั่วโมงสิชั่วโมงผ่านไประดับน้ําตาลมันลดลง นะเป็นความขมเป็นความทุกข์ที่เราผ่านนะเพื่อที่จะให้ความดีเป็นสิ่งที่ดีๆนั้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าความทุกข์นีนะ้ทำแล้วมันเป็นกุศลเอาให้เราทำกุศล น, นี่คืออะไรคือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นเองนะทำความทุกข์เจอความทุกข์เพื่อดับความทุกข์ถูกต้องบางที่เราต้องผ่านความที่มันทนได้ยาก เพื่อที่จะดับไอสิ่งที่มันไม่ดีแต่บางที่เราผ่านสิ่งที่ทนได้ยากเพื่อที่จะทําไอ้เจ้ากุศลธรรมนั้นให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำหมู่เจ้าอากุศลธรรมนั้นให้มันหายไปอย่างตอนที่เราฝึกสังเกตลงใจใจเนี่ยจำฟังจิตเราก็ไหลไปตามอารมณ์แล้วก็เพลิดเพลินดีฟังเพลงแล้วก็เพลาะดีดูสิ่งนั้นแล้วก็ไปดีแต่ว่าเรามาฝึกที่สังเกตลงใจใจบางที่มันฝืนฝืนด้วยทำไมฉันไปตามอารมณ์ไม่ได้ทําไมฉันจะไปตามอารมณ์ที่ฉันเป็นสุขไม่ได้ ฟังเพลงเพลิดเพลินไม่ไดนะ้แต่ว่ามันมีนัยยะซ่อนแฝงตรงนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเมื่อไรที่เราเจอพยายามที่จะฟื้นทําความดีเจอความทุกข์บ้างเพื่อที่จะให้เจ้ากุศลธรรมมันเกิดขึ้นเจ้าอกุศลธรรมมันมันหายไปในะความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแตนะ่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยังไม่สามารถที่จะละไอ้เจ้าความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากตา โอ้โหมูกลิ้นละกายกินข้าวก็ยังมีความสุขนอนตื่นสายก็ยังมีความสุขพูดเล่นตลก โ, โปกฮาเพอเจอก็ยังมีความสุขนะไปเที่ยวกลางคืนไปในสถานที่อัดโคจรกินเหล้าเมาเบียร์ก็ยังมีความสุขถ้ากูยังมีความสุขอย่างนั้นอยู่มันยากเต่าฟังที่จะมาเห็นความสุขที่เกิดจากในภายใ น, นมันยากที่จะมาเห็นความสุขที่เกิดจากสมา ธ, ธิเพราะไอ้ตอนที่เราถอนไอ้ความสุขที่เกิดจากกามเนี่ย ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอา้าวไม่กินก็ได้เบียร์ไม่ฟังก็ได้ไอ้เพราะเพราะนะไม่พูดโกหกก็ได้นะ่ะไม่ไปเที่ยวกลางคืนก็ได้แล้วยังไงมันก็ฝืนเลยเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเดิมที่เราทําอยู่แต่ถ้าเราหยุดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราเนี่ยต้องฟังมันมีเนื้อที่ที่ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ถ้าเราหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีหนาใจของเราสามารถที่จะไปเกาะเกี่ยว ไปเขาเรียกว่าไปก้าวลงในสิ่งที่ดีๆได้แตนะ่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในะอย่างคนที่ติดยาเสพติดมานะโหกว่าจะเคยดูสารคดีที่เขากินยาให้อ้วกนะท่านฟังนะเพื่อให้สารอกขูดออกล้างออกไอเจ้าสิ่งที่ไม่ดีท่ายออกนะไม่ทางปากก็ทางทวารหนักไม่ทางทวารหนักก็ทางปากให้มันออกมานะเจ้าสารพิษต่างๆในช่วงที่มันถอนสารพิษลอกสารพิษ กูดารพิษล้างสารพิษเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องทรมานบ้างแน่นอนนะแต่ถ้าเรามาฝึกให้อย่างดีทําให้ดีให้ถูกนะเรจะบว่ า, วาร่างกายของเรานะี่ยมันดีขึ้นมามีความสบายใจเนะีอยู่เป็นสุขเนะืจิตใจของเราก็จะมีความสบายขึ้นมานะกุศลธรรมลดน้อยลงกุศลธรรมเกิดขึ้นมากขึ้นนะให้ทําเติมฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราดูได้เลยถ้าอะไรเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนนะ อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระราชาพระราชาไม่ได้สอนให้เธอนอนต่อเธอสบายสบายไม่ใช่กลางคืนยังสอนให้นอนน้อยกว่าตอนตื่นตื่นให้มากกว่าเวลานอนในช่วงเลากลางคืนกลางวันก็ไม่ได้สอนให้นอนสอนให้ตื่นโดยการทำใจให้มีสติจิตที่เราของเราที่มีสตินั้นรฟังเป็นจิต ท, ที่ตื่นอยูุ่ณอาจจะนอนด้วยการมีสตินั่นก็ถือว่าเป็นจิต ท, ที่ตื่นอยู่ กอยากจะทำกิจอื่นแต่บางทีต้องไปในที่ที่มันหลากหลายรูปแบบเรามีสติอยู่นั่นชื่อว่าุณไม่หลงต่ให้คุณขับไปในทางคนอ่นนนทางคุณขับรถไปตรง น, นี้นไม่เคยรู้จักไม่เคยมาไม่เคยไปโอ้ขับรถหลงทางละแต่ถ้าเรามีสติอยู่ก็ชื่อว่าใจของเราไม่หลงทางใจของเรามีเส้นทางไปอะไรนะท่าฟังถ้าเราฟังแล้วพิจารณาดูอันนี้เป็นไปเพื่อความเพี่ยนอันนั้นเป็นคาส่งของพระเจ้า ความเพียงในที่นี้นี่ยไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตกก็ใช่อยู่ส่วนหนึ่งแต่จะมีความหมายที่ที่ถูกต้องคือการทําจริงคําสอนของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนจริงท่านฟังสําหรับคนที่เอามาทําแล้วมันจริงๆทําจริงอะ่ะคือไม่ได้มาทำหยอ่อยๆใหญ่ๆไม่ได้มาทําเล่นๆไม่ได้เที่ยวมาขอไม่ได้ให้คนมาขอแต่ให้คนทําทําแล้วทําให้จริงคําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนที่ให้เธอทํา เธอทำจริงเธอจะได้ผลพระอาจาร์าบอกว่ า, างี้คใครๆก็ตามที่เป็นวินยู่ชนไม่โอ้อวดไม่โอ้อวดนะไม่มีมานยามีสัญชาตินคนตรงเมื่อเราบอกสอนอยู่พร่ำสอนอยู่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้ในเวลา7ปีใครฟังรายการธรรมะมาเรื่อยๆเ อ, อ้ยฉันก็ฟังทา มาตั้งเกิน7ปีแล้วนะเกิน7ปีบางคนฟังทำปฏิบัติธรรมมาเป็นสิบสิบปีบางคนมากกว่านั้นอย่าไปพูดเลย10ปี20 30, ปี30ปีเขาก็นั่งจะมาที่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมมาศึกษาหาความรู้ศึกษากับครูบาอาจารย์องค์นั้นองนี้นอนเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นจะทําที่สุดอย่างทุกได้เหมือนที่พุทธเจ้าบอกเจปีเลยว่าอีกครั้งหนึ่งไม่วินญูชนไม่อ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติใป็นคนตรง เมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทําอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ในเวลา6ปีหปีฉันนี่มันเกินแล้วนะทำไมฉันยังทำไม่ได้ก็คุณดูคนสุบัติก่อนวินยูชนคือคนที่แบบว่าฉลาดซะหน่อยหนึ่งมีปัญญารู้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรที่เป็นสาระอะไรที่ไม่เป็นสาระไม่อ้วด คือไม่เที่ยวยกตนโกลมคนอื่นฉันมีคุณธรรมนี้นี่นี่หน่อยหน่อยฉันไปรู้มาโอ้โนี่เป็นพุทธวัจนนะนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะยกตนโกลมทันละทีนี้ถ้าเรายกตนโกลมทันเราไม่ถูกต้องเราจะไม่บรรลุธรรมได้ไปในเวลาหกปีหกปียกใปก็ได้ใครก็ตามเป็นวินอยู่ชนไม่อ้อวดไม่มีมารยา่ามีสัญชาติแห่งกุนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่สแสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอน ก็จะทำให้แจ้งได้ใน ท, ท, ที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ในเวลา1ปี1ปี 1> บางคนฟังรายการตั้งเกินหนึ่งปีแล้วเอ๊ะทำไมเรายัางไม่ได้ทำความทุกข์ให้มันสนิทสัิทีลดได้อยู่แต่ไม่สนิทลดได้บ้างนะถ้าูฟังหลายๆลายท่านฟังรายการธรรมะที่ไหนก็นแล้วแตนะ่จิตใจชุ่มเย็นเอ๊ะความทุกข์เราคลายไปไม่จิตจั ด, ว, ด ว, วุวาหวือหวาเหมือนเมื่อก่อน แต่ใจสงบนิ่งเย็นมีความระ ง, งับนะ่ะเป็นความคลายจากทุในระดับหนึ่งเแต่มันก็ยังไม่สนิทวินยูชนท่านผู้ฟังวินยูชนไม่โ อ, โอ้อวดไม่มีมานยามานยาเนี่ยหมายถึงการที่เรามีวาลซ่อนแฝงนะ่ะทำสิ่งอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปกปิดอีกอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่เป็นอย่างนั้นนะเป็นวินยูชนไม่โ อ, โอ้อวดไม่มีมานยามีสัญชาติแห่งคนตรง สังชาติแห่งคนตรงก็หมายถึงการที่เราเปิดเผยความผิดของตัวเราเองคุณผิดตรงไหนคุณไม่ดีตรงไหนคุณก็พูดออกมาอย่าไปปกปิดตัวเองเอาไว้บอกมาตรงๆแต่อย่างพระเนี่ยถ้ามีความผิดนะเช่นไปตบยุง เ, เช่นเป็นอาบัติอย่างต่างๆต้องรีบมาเปิดเผยต้องรีบทําการเรียกว่าโปรงอาบัตนะการที่เราปรงอาบัตการที่เราทําความผิดแล้วเราเปิดเผยออกมานั่นคือเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนตรงนะเป็นคนตรงไม่อ้อวด ไม่มีมารยานะการไม่อวดไม่มีมารยานะก็อย่างที่ว่าไปนะไม่ยกตนกลมผู้อื่นไม่มีวาระซ่อนแฝงนะบางทีอย่างพระสงฆ์เนี่ยตัวข้าพเจ้าเคยเป็นสมัยก่อนวันนี้ขอออกความผิดของตัวเองมาแชร์ให้ท่านฟังฟังนะเปิดเผยตัวเองตามที่เป็นจริงในะสมัยก่อนเรามีความคิดว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านนะ้บ้านอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพนะตัวเองมาอยู่อุดรธา น, นีบวชอยู่วัดบวรก็บอกหลวงพ่อท่านเจ้าว่าบอกว่า เออจะขอไปเยี่ยมอุปชานขอไปเยี่ยมอุปชาแต่ว่าใจจริงๆแล้วต้องการไปเยี่ยมยมพ่อยมแม่ที่บ้านอย่างนี้นัคือมีวาลซ่อนแฝงเป็นคนมีมารยานะพ่อเรารู้ว่าเราเอ๊อย่างนี้เราทําไม่ถูกนะเราไม่ได้บอกท่านว่าเราจะไปเยี่ยมที่บ้านแต่เราบอกแค่ว่าเราจะไปหาอุปชาอยู่วัดบวรแต่ตัวเราก็ไปบ้านด้วยอันนี้มีวาลซ่อนแฝงนะเป็นคนมีมารยาเราก็เปิดเผยตัวเองตามที่เป็นจริงออกมา นันก็เรียกว่าเป็นคนตรงตรงถ้าเราเป็นวินยูชนไม่อ้อวดตามฝั ง, งไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงพุทธเบอกอยังไงพรุทธเาตรัอย่างนี้บอกว่าเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทําให้แจ้งได้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติในเวลาเพียง1 5วันคือกึ่งเดือนโอ้ยปีหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ สิห้าวันเลยเหรอสิบห้าวันนี้คนจะมาบรรลุทำบรรลุเป็นพระหลานบรรลุเป็นโสดาบันมันได้เหรอก็ไปฟังให้ดีเมื่อเราบอกสอนอยู่พระ่ำสอนอยู่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนทําไหมละ่ะพระเจ้าบอกอย่ากโกรธโกรธไหมละ่ะพระเจ้าบอกให้มีเมตตามีเมตตาไหมละ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขอเว้นไว้สักคนหนึ่งนะไอคนนี้มันชั่วจริงๆและมันเป็นคนที่ลวงโลกเป็นคนที่หลอกคนอื่น ฉันไม่มีเมตตากับมันขอเว้นมันไว้สักคนหนึ่งก็นิ่งทำไม่ถูกแต่แม้แต่คนที่เอาเลื่อยมาปาดเราอยู่แตนะ่ทำสิ่งที่ไม่ดีเราถ้าเรามีจิตพยาบามคิดร้ายในคนนั้นนั่นชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของเราเรามีเมตตาไม่มีประมาณได้ไหมนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้ใเป็นคนที่ยินดีในความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบแต่เรายังฟังเพลงแล้ยังมีความสุขอยู่กินเหล้าเมาเบียร์อยู่ มันก็ไม่ได้สิก็ไม่ทำตามที่สอนถ้าตามตามที่บอกทำตามที่สอนอย่าว่าแต่สิบห้าวันเลยสิบห้าวันยกเอาไว้ภายในหนึ่งวันคุณฟังคุณจะมาฟังฟังแล้วทำอย่างที่ได้ฟังทำอย่างที่บอกให้ทำได้เราจะต้องเป็นคนที่ไม่มีมารยาไม่อ้อวดเป็นคนตรงตรงเป็นวินอยชน์ด้วย เนะี่นยูชนก็คือคนที่ฉลาดพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้เราเป็นคนฉลาดคําสองอุปรชาชท่านผู้ฟังเป็นคําสอนสําหรับคนที่ทําจริงเป็นคําสอนสําหรับคนที่พยายามที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงตัวนี่หมายถึงคนที่มีปัญญานั่นเองเป็นยูชนเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ฉลาดนี่ถ้าเรารู้ว่าเราโง่ดีแล้วเรารู้ว่าเราโง่เราถึงจาตัวให้เราฉลาดได้แล้วก็อย่าไปคิดว่ า, าตัวเองโง่อยู่ตลอดละ่ะถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราโง่อยู่ตลอดมันก็ยังไม่ถูก แต่เรารู้ว่าเราอาจจะฉลาดแต่เราไม่ยกตนข่มผู้อื่นนั่นก็ชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มทันเรอาอจะฉลาดเราอาจจะโง่ Alleg. เราก็ฉลาดในบางเรื่องเราก็โง่ในบางเรื่องไม่ได้โง่ทุกเรื่องเราก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องแต่เรื่องที่ฉลาดก็มีเรื่องที่โง่กม็มีอะไรที่เรารู้ว่าเรายังไม่ฉลาดในเรื่องไหนเราก็ทําใจของเราให้ฉลาดอย่างนั้นน่ะเรียกว่าวินยูชนวินยูชนไม่ใช่หมายความว่าคนที่จะต้องมีความรู้หรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่หมายถึงคนที่มีความคิดที่พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นมาเราเป็นวินยูชนไม่อ้อวดไม่มีมานยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อพรุทธเจ้าบอกสอนอยู่เมื่อพรุทธเจ้าแสดงทำอยู่เธอทำตามอยู่อย่างที่สอนก็จะทำให้แจ้งได้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ในเวลาชั่วข้ามคืนฟังตอนเช้าได้บรรลุตอนเย็น ฟังตอนเย็นได้บรรลุตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเอา้าอันนี้ยกไว้ก็ได้ถ้าเธอเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาไม่โออวดมีสัญชานนติอย่างกลตงพระชาบอกยังไงให้เดินตามมรรคใช่ไหมทําอย่างนั้นเป๊ะๆให้มีศีลใช่ไหมทําอย่างนั้นเป๊ะๆให้มีสมาธิให้มีปัญญาเอา้าฝึกที่สตัมทําอย่างนั้นเป๊ะๆบอกเดียเด๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีทำฝัง มีในสมัยพุทธกาลก็มีสมัยปัจจุบันถ้าเรามีกุศลบัติอย่างนี้เราก็มีเราทํทาธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของเราได้สตินะ่ะเธอมีไหมตั้งแต่ฟังรายการมาเธอมีสติอยู่ในลมหายใจเธอมีสติอยู่ในกายเธอมีสติอยู่ในสติปัตตานทั้ง4ไม่ออกจากที่เที่ยวของคำสองพระเจ้าบ้างอยู่ไหมเราทำท่านไปฟังทําได้เท่าไหร่เราก็ดีแล้วนะทำได้เท่าไหร่เราดีเท่านั้น เราพยายามที่จะทาให้ดีขึ้นไปนั่นคือความเป็นวินยูชนของเราให้จะมีมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเราฟังแล้วนะรู้แล้วใช้โสตะฟังท่านฟังใช้หูนั่นแหละใช้หูฟังเนะ้อหูฟังแล้วให้มันเข้าถึงใจนะใจของเราถ้าเป็นใจที่มีสติกำกับอยู่ใจของเรานั้นเป็นใจที่ตื่นนะกายของเราจะเป็นยังไงก็ได้บางคนเจ็บป่วยเมื่อยล้าอ่อนแอนั้นนั้นก็เป็นเรื่องทางกาย แต่จิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งแต่ใจที่เข้มแข็งนั้นคือใจที่ทำจริงแต่คนป่วยบางคนมีกำลังใจมากกว่าคนเข้มแข็งบางคนด้วยซ้ำคนที่ร่างกายไม่ป่วยแต่ว่าท้อแท้อ่อนแอเหยหะแย่บวกเปียกนั่นคนอ่อนแอแต่ถ้าใจของเราเป็นใจที่มีกำลังเป็นใจที่ตั้งมั่นทำจริงเป็นใจที่มีความแน่วแน่เป็นใจที่มีสตินั่นเป็นใจที่มีกาลังตฝั่งไม่หลงไม่เพลิน ไม่ยึดแต่เป็นใจที่สบายเป็นใจที่เป็นอิสระเป็นจิตที่มีสติกำกับอยู่สตินี่แหละจะเป็นตัวที่พาจิตดวงนี้เข้าไปสู่นิพพานสตินี่แหละจะเป็นตัวที่พาจิตดวงนี้เข้าไปสู่วิมุตได้เมื่อเรามีวิมุตมีนิพพานแล้วนั่นคือที่สุดจบแห่งการปฏิบัติเราจะเป็นผู้ที่รู้ว่าพระพุทธนี่สมณโคดมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงจริง นีนพระธรรมที่พระชาติประกาศไว้ดีแล้วเนี่เป็นสวัสดขาต์จริงๆเนี่ยพระสงค์เป็นสุปฏิปันนะคือผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจริงๆรู้ได้ด้วยจิตของเราเราไปรู้ได้ยินเสียงเห็นรูปลิ้น ล, ล, ลิ้มรสนี่ก็ด้วยจิตของเราผ่านทางช่องต่างต่างๆจิตของเราที่เรารู้ต่างๆเนี่ยให้มันรู้ถึงรสพระธรรมได้ไหมรสอะไรก็ตามคุณจะกินรสอะไรกินอาหารรสไหนไอติมของหวานของเปรี้ยวมันสู้รสพระธรรมไม่ได้ รสพระธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังใครเคยได้ลิ้มได้ลองแล้วมันทราบทราบซ่านเข้าไปในจิตไปทั้งตัวนั่นแหละเอาดูอย่างใครได้สมาธิเนี่ยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเถอทั่วทั้งตัวเลยที่ไม่มีปิติมีสุขมีสมาธิเกิดขึ้นไม่มีคนที่เคยผ่านมาจะรับทราบรับรูบร้รรว่าแม่รสชาตินี้มันมันยิ่งกว่ารสชาติไหนไหนในโลกนี้ทีเดียวในวันนี้คราพระพุรับไปบุรุษพิปุรโนจากวัดป่าดอนหายโศ ขอลาทําไพี่งไปก่อนถ้ามีคำถามข้อเสนอแนะสงสัยใดๆเขียนมาเพียวรรมะดอทคอมพีารี com, e a, หรือว่าส่งมาที่วัดป่า ด, ดอนไฮโศก็ได้เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนไฮโศกอำเภอนองหานจังหวั ด, ดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สนึ4งหถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยฟังย้อนหลังก็ได้ฟังพรุ่งนี้ก็ได้จเจริญพร